เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือโครงสมัยนั้นพวกในพรานฆ่าเสือโครงแล้วกินได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อเสือโครงแล้วอยู่ในป่าเสือโครงไล่ตะครุบภิกษุเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือโครงภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้